กามอายาติลไม่ยดลหฟะฮัลมุฮตะไม่ยาดิหมต ว่าไม่ยุ่งลิลฟัลันติดดัลฮุวะลิยัมมุริดะและทําบุญทําบุญ ว َنُقَلِّبُهُمْ ذات اليمين و َ ذات الشمال و ك ا ل ب ُ م باست ِ ر ا ع ي ب, ب ا ل و ِ ي د <ت ص في ق> لو اطلعت ละต์ عليهم لَوَالَّعِيتَ م ِ ن ه م ْ منهم فرارا و ل م ل ئ ت من ا منهم رعبا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات ي أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله و م ْ يضل فلا ه ا ِ ي ه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلا كان ش و ر ส a l a m u พี่น้องที่ร่วมนม้มัดสุบฮ ห, หรือนมาดฟที่รักทั้งหลายครับบลฮัมดุลิลละเราขอบคุณอัลล์ ه และ ت ع ا ل ที่อัลล์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เราได้ทาของที่ดีที่อัลลอ์พอใจก็คือเราถือศีลอด วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกค่ำยี่หกนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคืนนี้ยี่สิบหกเราอ่านอัลกุรอานเราซิครุ ullah, ลลอห์แต่พี่น้องเราหลายคนที่ยัตติกาฟที่มัสยิดของอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาละทั้งหมดทั้งหมดนั้นเราทําเพื่อหวังจะได้รับ ความใกล้ชิดนะครับรั้วมะจากอัลลอฮ์ س ب ح ะาลา่มามอ่านเมื่อกี้เนี่ยนะตอนรักนัดแรกนะฟาบีมารั้วมะติมีนลัลลอฮิลินตะลาหุมตรงนี้อธิบายนิดนึงนะฟาบีมารั้วมะติมีนอัลลอฮิลินตะลาหุมไม่ใช่เพราะความเมตตาของอัลลอ ดอกรที่นบีมุฮัมมัดนะ่ะลินะ่นแต่ไม่ก็ว่าท่านเนี่ยมีนิสัยนิ่มนวนลไลน์แปลว่านิ่มนวลอัลลอ์าถามนบีมุฮัมมัดที่ท่านนบีมุฮัมมัดพูดจาดีดีนิ่มนิ ม, น, มนวล น, นวนเนี่ยนะใครให้ต้องการจะบอกว่ามินายลลอฮ์ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์หรือเพราะฟังตงัวเรามันนึก ท่าคนที่มีมารยาทดีอักลากดีนิสัยดีดีกับพูดดีกับภรรยาพูดดีกับลูกๆพูดดีกับพี่ป้านาอาคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงเนี่ยที่เรามีนิสัยดีอยากคิดว่ามาจากเราเองนะอัลลอฮให้แล้วก็ประตอมาอีกว่าเรากุ้นแต่ถ้าหากท่านเนี่ยฟวุ ล, ลกล่าว แข็งกระด้างพูดจะโหกหหากนี่แสดงว่ามาชายิสัยตัวเองเดิมๆที่ยังไม่ได้ขัดเกลวว่าล้วกุ้นต่ฟัซซอนโอลีซอนกลบหัวใจแข็งกระด้างลัมฟัตูมินเฮาลิประชาชนหรือโหฮาบ้าที่อยู่รอบๆท่านเนี่ยไปไหนหนีออกบาทีละคนสองคนสามคนนี้หมด แสดงว่าไอ้นิสัยกล้าวๆเนี่ยเราทําเองที่ลอดพูดกัต บ, บ, บีมอฮัมหมัดพูดกับนายบีมมาพูดกับพวกเราคนที่อ่านกรุอ๊อ่านทุกคนนี่แหละฉะนั้นผมก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เรามีนิสัยไม่แข็งกระด้างไม่โวยวายไม่ตะคอกไม่ด่าคนเนี่ยเราพยายามควบคุมอารมณ์เราไว้ในการควบคุมอารมณ์ของเราหรือว่ายิาง่งในเดือนระมาบอเนี่ยใช่ไหม ถึงน บ, บีเลสั่งนะอย่าอะไรนะอย่าทะเละกันอย่าดากันอย่าตวาดกันอย่าทะเละกันลินทาใส่ร้ซึ่งกันแล้วกันฉะนั้นเราจะเอานิสัยเดิมเดิมที่เอาลอให้มาก็คือความเมตราสงสารกรุณาที่อยู่ในใจของเร า, เาวันนี้ขอบคุณอัลลอนะที่เราได้ทบชวนอัลกุรอาวันนี้มาถึงอายะที่เท่าไหร่นเนี่ยสิบห้า นะครับทีนี้มานึกดูอีกทีเนี่ยอีกสามสี่วันเนี่จะอะไรนะจะออกอีดอืมทีนี้อยากจะอธิบายก่อนจะอธิบายคุรานจะอธิบายอย่างนี้ว่ามารยาทของคนที่เตรียมตัวจะพบอีดเนี่ยมีป็นมารยาทอะไรบ้างบางทีผมได้รับหนังสือพอดีเลยเมื่อวานซื้อเนี่ยรับวรารสารเป็นภาษาอุรดู จากมหาวิเลยนัดวะตุลลาเอาลรามาพอพูดเปิดพับเจอเลยมารยาทของคนที่เตรียมตัวอีดมีทั้งหมดสิบสามข้ออัลฮัมดุลิล่ะอ่านแล้วได้ความรู้ก็อธิบายให้ท่านพี่น้องฟังนะครับเช้าวันอีดเนี่ยพี่น้องคนจะทำตัวยังไงนะครับเช้าวันอีดเนี่ยนะเขาบอกให้ตื่นนอนแต่เช้าเช้า แล้วก็เตรียมตัวมานมาดที่มัสยิดนมาดอะไรนมาดซูบอพอนมาซบโบจบแล้วเนี่ยตั้งแต่นั่นมาเนี่เรื่อยมาจนทั่งนมาดอีกเนี่ยให้ก่าวตักบิ bar, กดเยอะๆอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮอัลลอฮัลลออัลลัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลัลอัลลอฮอััอัลลอฮอัั ถ้าจะเอาสองครั้งก็ได้อัลลอฮฺอักบะร์อัลลอฮอักบร์สองครั้งนี่ดารุลกุตนีฮะดีสผู้รายงานฮะดีสชื่อว่าอิหม่ามดารุลกุตนีนะครับสามครั้งก็ได้อัลลอฮฺอักบะร์อัลลอฮฺอักบะร์อัลลอฮฺอักบะร์ลาอิลาห์อิลลัลลอฮวลอฮอักบร์ อัลลอฮุอัยฮุร์วะลิลฮิลฮมให้กล่าวตักบิตอย่ากล่าวคนเดียวให้ใครกล่าวอีกภรรยาแล้วใครอีกลูกถ้ามีหลานหลานอีกคือพ่อต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นดาเรกเตอร์นะว่าว่าว่าว่าคุยกันในบ้านในครอบครัวของเรานะข้อที่สองให้อาบน้ำแต่บางคนก็อาบน้ำก่อนนะมาสโบรมีไหมมี อันนี้ขั้นตอนก็นคือให้อาบน้ําพออาบน้ําเสร็จแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้นะถ้าชุดใหม่นะดีถ้ามีกระตังถ้าไม่มีก็ชุดเก่าปะก็ได้ไม่มีปัญหาขอให้สะอาดนี่เป็นหะดีสของอิหม่ามตบอบารนีที่ท่านนาบีเน้นก็คือว่าอย่าใส่ทองผู้ชายนะห้ามใส่ทองมีอยู่วันหนึ่งนบีหยิบทองมาแล้วก็หยิบ ผ้าไหมามาน บ, บียกขึ้นอินนาฮะเน่ฮารามูลอาลลูกูริอุมมัติทั้งทองและผ้าไหมสองรายการนี้ไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับผู้ชายในประชาชาติของฉันน บ, บีพูดชัดเลยอันทีนี้คนที่ใส่ทองเนี่ยในมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะในหนังสือภาษาอุดูมีอยู่เล่มเขียนดีนะ ซุนน่านบีแอนด์โมเดิร์นสายอธิบายยังไงรู้ไหมอธิบายบอกว่าผู้ชายที่ใส่ทองเนี่ยเนื้อทองเนี่นะเนื้อทองกับผิวของผู้ชายนี่ไม่ได้เข้ากันเลยแต่หาไปใส่ในผู้หญิงที่มันเข้ากันแต่ที่พอใส่ในของผู้ชายภาพเนี่ยไอ้เนื้อทองตัวนี้มันไปทําลายสเปิร์มอ้โไปทําลายสเปิร์มสเเปิร์มของผู้ชายอนะ่ะ ทำให้มันอ่อนตัวลงแล้วก็ลูกที่คลอดมานั่นไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนี่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ก็ไปวิจัยพบมาหัามตัวนแล้วแค่นั้นใครอยากต้องการจะให้ลูกเป็นนู่นเป็นนี้เชิญใส่ทองต่อไปก็แล้วกันนะครับาข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยให้ทานอาหารเล็กๆน้อยๆก่อนออกจากบ้าน ในวันอีกก่อนจะออกมานามาศอีกเนี่ยให้ทานอาหารทานผลไม้ดีที่สุดรือไม่อะไรอินทผาลามกิโลทาน่กิโลใช่ไหมสองเม็ดสามเม็ดพอแล้วเป็นเลขขี้ดีที่สุดใช่ไหมเม็ดสองเม็ดสามเม็ดพอแล้วเราก็ดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งลาฮุลิลลาที่นบีเนี่ยทานเจ็ดเมตรลาฮัมดุลิลลา น บ, บีเลี้ยงแพะกว่าเจ็ดตัวแปลงนะเลี้ยงแพะกว่าเจ็ดตัวอินปั้นลามก็ทานเจ็ดเม็ดพวกเราอย่าทานเยอะนะอเอาต่อมานะครับให้อะไรนะให้เดินทางโดยใช้เท้าเนี่ยให้มามุซลลาที่นามาดผมได้ท่านพี่น้องไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าอุปสรรคในการมามัสยิดมามุสลลาเนี่ยต้องใช้รถแต่คนใกล้ๆแถวนี้นะ พยายามนึกถึงซุน น, นะนบีชายเท้าเดินมามาสัส ย, ยิดดีกว่านะแต่ถ้าไม่ทันก็นั่งรถมานะเป็นฮัดดิสคอยมามติ้นมีดีข้อที่ห้าให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านออกไปรวมตัวกันที่ลานกว้างเรียกว่ามุซอลลานะทุกคนนะออกมาให้หมดแม้แต่หญิงที่มีประจำเดือนนะครับก็ให้ออกมาแล้วก็ให้ไปนั่งอยู่ในที่ต่างหากันะเรานั่งอยู่ที่กลาง แกรนะไมาดานมีไหมไมาดานหรื ว, ว่ามุซัลลากลางแจ้งนะมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็ผู้หญิงบางคนไม่มีผ้าคลุมศูษสามีมีไหมมีนะมีชุดอย่างอื่นหมดแต่ผ้าหิ j าบไม่มีนบีแนะนำนะให้ทำไงให้เขายืมที่ตอนนี้เริ่มขอยืมได้แล้วสิมีเวลาอีกสามวันมีเพื่อนอยู่ในปัตตานีเอยเธอส่งผ้าผืนนียนะ ส่งประสนีมาจะได้กลับถึงพอดีใช่ไหมชายคุมผ้าคุมทิยาคุมคุมชิษะฉะนั้นอย่ามามาสัสยิดอย่ามามุสลลาดยที่มาเด้คุมผ ม, มปิดทำไมมิดชิดเลยเอลัลลอฮ์นี่นบีมเมตานะฉะนั้นถ้าไม่มีทำไงขอยืมทมดูลิแลม่ต้องไปซื้อพอปีงชายครั้งเดียวเอาต่อมาข้อที่ห้านะครับข้อที่หให้ผู้ชายเนี่ยใช้เครื่องหอมนะ ใช้ใช้เครื่องหอมใส่แต่หากผู้ชายไม่มีเครื่องหอมมาทําไงให้ขอขอใครขอภรรยาเพราะภรรยานะ่ะใช้เครื่องหอมเยอะก็ขอจากภรรยาแต่มุสลิม่าผู้หญิงนั้นห้ามใช้เครื่องหอมออกนอกบ้านโดยเฉพาะวันอีดเนี่ยห้ามแต่งตัวแต่งตัวน่าได้แต่ว่าอะไรนะเครื่องหอมห้ามใส่อัลลวมุสลิม่าใส่เครื่องหอมตอนไหนอ่ะ ต่อหน้าภรรยาต่อหน้าสามีให้ภรรยานั่นแต่งตัวสวยๆใส่เครื่องหอมต่อหน้าสามีที่อยู่ในบ้านยินก่อนนอนยินดีใหญ่มันอะไรนะมันกระฉับกระเฉงนอนโฮโหใช่ไหมเราทำดีทอกมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่เจให้ทำนำมาตีแต่เช้าๆความจริงเนี่ยนามาตีน่ะได้ถึงก่อนนมาสุหจนนั่นแหละ ตั้งแต่เจ็ดโมงใช่ไหมเรื่อยมาจนกทั้งถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนมาดอีดนี่ได้เลยแต่ที่ตรงตามสุน น, นะนบีกี่โมงดียิ่งเช้าตูวมากยิ่งดีเท่าไหร่พอตะวันขึ้นประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนมาดตลอนมาดูฮานะนะนมาดอีดได้เลยฉะนั้นคนที่ไปนมาดสายสา ย, สายตอนสิบโมงสิบเอ็ดโมงคืะว่าขนะิลาฟุตซุนน่ะมันไป ไปแข่แย้งกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อห์อะลัยฮุสซาลลัมครับต่อมาข้อที่8ให้ทำหน้ามาที่ลานกว้างนะถ้ามีอุ้โรตอูอ้รหมายถึงมีความมีอุปสรรคมีอุปสรรคมีอะไรบ้างฝนตกอุปสรรคอุปสรรคนี้นะให้ทำในไหนให้ทําในมัสยิดนอกนั้นให้ทําที่ลานกว้างทั้งหมดนี่เป็นซุนนะของท่านนบี แต่นั้นกว่าจะนำมาที่ลานกว้างตรงทลละเลาะกันก่อ น, อนเอาข้อที่เก้านะครับพี่น้องให้ทุกคนเนี่ยฟังคุูตัวบ้านเดินั่งเงียบๆนะครับแต่ถ้าหาว่าวันอีตรงกับวันศุกร์ทำไงตอนเช้าน้ำมาอีแล้วก็ตอนบ่ายมีน้มาวันศุกร์อีกนมาวันศุกร์จะมาหรือไม่มาก็ได้ใช่ไหมแต่มาดีกว่า แต่คนที่มีหน้าที่ต้องมาอิหม่ามต้องมาคอเตบต้องมาบิลลานต้องมาใช่ไมกรรมการมัสยิด ต, ต้องมาใช่ไหมผู้รับผิดชอบเนี่ยนอกนั้นประชาชนทั่วไปจะมาหรือไม่มาก็ได้ระหว่างมากับไม่มาอันไหนดีกว่ากันมาดีกว่านะครับต่อมานะครับนมาดอีที่กลางแจ้งนี่นะ่ไม่มีนมาดสุนนะใดๆก่อนนมาดอีเมื่อสองปีก่อนผมเห็นเนี่ย มานมาสกลางสนามแล้วยืนนมารอัลลอฮฺลลาอลลากบัดสองละกาตที่นี้ <g iggle> ก็ก็ไม่เป็นไรเขาเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่รู้ถ้าถ้ารู้จะไม่มีการนมัสารใดๆนอกจากนมัสการในมัสยิดเนี่ยให้มีนมัสการสองละกาตก่อน น, นั่งเนี่ยมีนะครับแล้วต่อมาครับไม่มีอาจารย์ไม่มีอีกอร์ม่ะไม่มีอาจารย์ไม่มีอีกอร์ม่นี่ฮัดยุคอยมามอิ บ, อบ อิบนมาข้อที่13เขาแนะนำนะระหว่างอ่านคุตบ้านนี่ให้กราบตักบีเยอะๆอัลลอฮฺอักบะดอัลลอฮฺอักบเราเองก็ต้องกราบตักบีที่อยู่ในบ้านเยอะๆนะต่อมาครับถ้าหากมานามาดอีดไม่ทันพอเข้ามาในซอยเนี่ย อีมาว่างนะ a s ส a l a m u a l a i k u m warahmatullah จบพอดีเราวเราทำไงน บ, บิบบอกว่าให้นมาสคคนเดียวกี่รากาศสองรากาศเพระเป็นนมาสุนัขธรรมดาเนี่ยใจไหมฉดั้นเวลาเรามาไม่ทันหรือว่าเราเนี่ยถูกตัดสินว่าให้เฝ้าบ้านในบ้านมีกันสิบคนใช่ไหมมานมาสกันหมดเลยเก้าคนตัดสินให้เอาเองอยู่บ้าน ขโมยเยอะแต่ที้คนที่อยู่ที่บ้านทําไงก็ต้องอาบนา้ําแต่งตัวให้สวยเหมือนกันแล้วก็ทําไวนะนมาศอย่างน้อยสองละกอัดตลกาตักบีดท่านนั้นเองท่านนั้นอย่อยาอย่าเป็นคนที่อะไรนะไม่รักษาสุนนะของท่านอันดีสองร้อยหกสิบข้อสุดท้ายคนที่พบหน้ากันเป็นประจําอยู่ที่มัสยิดอยู่แล้วเนี่ยพอนมาศอีกจบแล้วก็ ยังมีกอดกันอีกนะนั่นนไม่ใช่สุนทรท่านทบีนะต้องอานแล้ตกใจอ๋อนอกจากคนที่นานๆเจอกันทีพอบางคนเข้าสุราปีละปีสองครั้งมีใช่ไหมนั่นแหะคุณมาเป็นนั่นกอดนานๆเรานนก็ได้ขอที่อาตอละนะครับให้การอีกของเราครั้งนี้เนี่เอาสุนทรของท่านทนวาีไปใช้นะครับเอามาดูตัปสิทธ์ดูคุรานนะครับอายาที่สิบห้าครับ ฮาอุล่อิกาอุนัตั้งดูมินดูนีอาลิฮะฮาอุล่าเนี่แปลว่ากลุ่มชนกลุ่มชนหรือว่าเขาเหล่านั้นสับเดิมมนะันแปลว่าเขาเหล่านั้นฮากาอุมูนาเป็นพวกของเรา กลุ่มชนของเราเหล่านั้นอิ ต, ตะคอูมินดูนิฮีอาลิฮะยึดเอาพระเจ้าอื่นจากอัลลอ์เป็นพระเจ้าหมายความว่าคนหนุ่มคนหนุ่มหนุ่มที่อยู่ที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยแต่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยมีประมาณกี่คนนะขัดแย้งกันบางคนว่าหาคนหคนกับสี่คนไม่มีปัญหา จำนวนไม่ไมสำคัญสำคัญจะบอกว่ามีคนหนุ่มในวันนั้นเป็นคนที่ดีเป็นส่วนผู้ใหญ่นั้นใช้ไม่ได้สักคนหนึ่งทันนี้อัลลอฮ์เล่าเองนะผู้ใหญ่วันนั้นใช้ไม่ได้เพราะไม่รู้จักอัลลอ์ไม่ขอบคุณอัลลอ์ไม่กราบอัลลอฮ์สุบฮานาอูวตาลามีเดียวเด็กหนุ่มอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองที่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลล์สุบฮานูวตาลา พูดอย่างนี้ผูใหญ่วันนั้นต้องเคืองแน่ๆโอ้นี่นบิดากูนะเนี่ยแตดว่าเด็กหนุม่มดีไหมเด็กหนุม่มดีใช่ไหมต่อมาครับฮาอุลอยกาอุามุนัตตะคอรมินดูนิฮิอาลิฮะกลุ่มชนของเราเหล่านั้นยึดเอาพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า ลาลายะตูนอาไลฮิมบิสุลตอนิบายนี่อัลลอฮ์ท่านะอัลลอฮ์ท่านบอไงนะทําไมพวกเขาลาลาเนี่ยเราไปว่าทําไมนะลาไปว่าไม่ทําไมพวกเขาไม่ยะตูนะแปลว่านําอลัยฮิมบิสุลตอนิน หลักฐานใบ ย, ยินอันชัดแจ้งต้องการจะอธิบายว่าที่คุณไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ช่วยนําหลักฐานมาหน่อยได้ไหมการไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนำหลักฐานมาให้หน่อยนีย่เป็นการประกาศถึงทุกวันนี้เหมือนกันคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์มีไหมเยอะ อัลลอฮ์เกือบทุกประเทศเลยมีอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละเข้าใจไมถามว่าคนที่ไม่บูชาอัลลอฮ์ไม่กราบอัลลอฮ์ไม่ยึดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวน่ะทำไมไม่นําหลักฐานมาอันชัดแจ้งเนี่ยเอามาดูหน่อยมาอธิบายให้หน่อย อ, อัลลอฮ์ท่าจะอยู่วันนี้เข่าใจไหมที่ถ้าถ้าถ้าเอามาจริงๆเนี่ยไม่มีใช่ไหมหลักฐานว่าต้องเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเก้ทั้งหมดนั่นแหละ ขนาดพวกเราเองที่ไปไปโตอะไรนะไปโตตะเกียเนี่ยโตตะเกียก็ช่วยไม่ได้นะโตระยองก็ช่วยไม่ได้โตลงนาก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้ทั้งหมดนั่นแหละผีชะตุงไซตอนช่วยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะผู้ที่ช่วยได้คืออัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาช่วยนำหลักฐานมาหน่อยสิ อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างช่วยนําหลักฐานมาเนี่อัลลอฮ์ถามล่าลายะตูนาไลฮิมบิสุลตอเน้นใบยินทําไมพวกเขาจึงไม่นําหลักฐานนั้นชัดแจง้งมายืนยันเล่าอันต่อมาฟะมันอลัลามูมิม ม, นรรมะนิฟตรอัลลอฮิกะดีบะ ฟามันอัลสลัมอัลสลัมแปลว่ารอเลมหรืออาธรรมจะมีผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมไปกว่าผู้ที่อิฟตารอกล่าวเท็ดอัลลอฮ์ยต่ออัลลอฮ์กาดีบาแปลว่าโกหกหรือตอแหลฉะนั้นไม่มีใครเลวแล้วที่จะเลวไปกว่าคนที่ยึดสิ่งอื่น เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์คนนั้นแหละเป็นคนที่ย่อเล็มยอเล็มแปลว่าอาธรรมนะครับเป็นคนที่อาธรรมที่สุดไม่มีใครจะอาธรรมมากกว่าคนที่ไม่ยึดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยสอนเรื่องเตาฮีตเฉะนั้นในศาสนาอิสลามเดี๋ยสรุปสัสน้นๆก็คือว่าเรื่องเตาฮีตเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเรื่องอัคดีดเรื่องความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าเชื่อผิด คิดผิดทำผิดถ้าเชื่อถูกคิดถูกทำถูกเนี่ยตรงที่ต้องการจะบอกว่าถ้าเชื่อผิดคิดผิดทำผิดฉะนั้นไม่มีอะไรเลวเท่ากับคนที่ผู้ที่รู้ว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่ไม่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ต่าลๆคอน้องมุสลิมเราก็จานวนไม่น้อยนะอืม แต่นี่มีคำถามถามว่าเด็กหนุ่มๆเนี่ยทำไมต้องไปหลบอยู่ในถ้ำเพราะอะไรทำไมต้องหลบไปอยู่ในถ้ำเพื่อต้องการจะบอกว่าวันนี้ก็เหมือนกันนะวิธีที่จะปกป้องตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีอ ي มานมั่นคงยึดในอัลลอค์องเดียวนี่นะถ้าถูกบังคับ ถูกอะไรนะถูกกดขี่มากๆเนี่ยให้ย้ายตัวเองไปอยู่ตามอะไรนะเชิงเขาดีที่สุดแล้วก็นบีสอนต่ อ, อย่างงี้นะยูชากูไอยากูนค่อยรุมาเรอาฮาดีคุมก้อนมันในไม่ช้าเนี่ยเหตุการณ์อย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นวิธีการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยให้ย้ายตัวเองเนี่ยพร้อมกับแพ อย่าไปคนเดียวให้พาอะไรไปด้วยให้พาแพะไปด้วยสักฝูงหนึ่งไปเลี้ยงที่ไหนนู่นที่เชิงเขาโน่นน่ะเพื่อไปรักษาอะไรรักษาอีหมานที่อยู่ในใจตัวเองอยู่ข้างนอกอยู่ในสังคมเนี่ยรักษาอิมานไม่ได้คนนี้ก็ไม่เอ า, าศาสนาคนนี้ไม่เอาศาสนาคนนี้ไม่เอาเอ้ยไม่เอากันหมดเลวฉันอยู่อยู่คนเดียวอยู่ได้ไงอยู่ไม่ได้แค่นั้นนบีแนะนํา ให้ย้ายตัวเองไปอยู่ที่ไหนเชิงเขาเวลาไปอย่าไปคนเดียวพาได้ไปอีกพาแพะไปไปเลี้ยงตรงน้นนั่นแหละดีดีที่สุดฉะนั้นที่พวกนุมหนุมเด็กหนุ่มห้าหกคนไม่รู้จักกันไปนั่งกันที่ยคนต้นไม้แล้วมันมารู้มารู้จักกันที่หลังเนี่ยเขาก็ปลี่ยนตัวของเขาไปอยู่ในถ้ำเพื่อรักษ า, าศาสนารักษาอีิมานฉะนั้นแสดงว่าคนในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เอ า, าศาสนาใช่ใช่ไม่ใช่ เราก็เสียงคนกรุงเทพด้วยแต่หมยุลินแล้วแหากทุกคนเอ า, าศาสนาพูดถึงาศาสนากันเยอะๆสังคมก็จะดีนะครับถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เอ า, าศาสนานะครับวันหนึ่งนะหมดนะครับหมดนั้นเราต้องพูดาศาสนาในครอบครัวของเราเยอะๆถ้าพูดไม่ไหววิธีรักษ า, าศาสนาทำไงย้ายตัวเองไปอยู่ที่เชิงเขาอย่าไปตัวคนเดียว พาไดไปนะพาแพะไปไปเลี้ยงอัลลอฮ์อย่างน้อยสักสิบตัวยี่สิบตัวเดือนไม่ช้าก็กลายเป็นฝูงใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ <c oughs> อายาที่สิบหกว่งจัลตุมุฮุมว่ามายบดูนอิลลอฮและเมื่อพวกท่าน ยะตาซาดะนี่แปลว่าปลีกตัวหรือแยกตัวและเมื่อพวกท่านปลีกตัวออกห่างจากพวกเขาคือเด็กหนุ่มๆห้าหกคนนั้นแยกตัวออกจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เอาศาสนาแล้วเป็นไงขวามายาบูดูนะอิลลัลลอฮ์และออกห่างที่พวกเขาเคารพ บ, บูชาอื่นจากอัลลอฮ์ คือเปลี่ยนตัวออกจากกลุ่มชนแล้วก็เปลีกตัวออกจากรูปบูชารูปเจวเวทที่ภูเขาบูชาอยู่ใช่ไหมการปลีกตัวออกเนี่ยดีไหมดีปลีกตัวออกจากกลุ่มชนที่ไม่เอาศาสนาเพราะงั้นเราใจอ่อนเดินทางเขาอีกใช่ไหมเปลีกตัวออกมาและยังไม่พอเปลีกตัวออกมาจากรูปเจวเวทอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชาบ้านมุสลิมต้องไม่มีรูปเจวเวทนะ เราต้องปรีกตัวออกมาไม่ให้รูปเจเวทนั่นอยู่ใกล้ชิดกับเรานะแสดงว่าตอออกมาจากสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนสองกลุ่มรูปเจเวตออกมาแล้วเป็นไงครับฟะอูอลลัคฟิแล้วก็จงอะไรนี่นอัลล์สั่งนะดังนั้นพวกเขาก็จงหลบฟะอูแปลว่าจงหลบ จงเข้าไปอยู่จงหลบนะอิลล์กาฟเขา้ า, เขาไปอยู่ในถม้มกาฟูเกฟภาษาอังกฤษอาหรับคล้ายๆกันนะใช่ไหมอามาัดเกฟกัก บ, กบกาฟูอ่ากเกฟเกฟกับกาฟูภาษาเดียวกันนะแบบกเอิร์ธอาร์รภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหมือนกันฟาอูอิลล์กาฟดังนั้นพวกเขาก็จงหลบเข้าไปอยู่ในถม้ม ละเพ่งไงยันสุดละกุมรบบุกุมมิรหมาติเมื่อเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วหลบไปอยู่ในถ้ำแล้วอัลลอฮ์พระผู้อาภิบาลของสู่เจ um ้ารับบุกุมเนี่ยยันช um ุดละกุมอัลลอฮ์ก็จะทรงแผ่มิรหมาติฮีความเมตตาของพระองค์แก่สู่เจ้า ถ้าหลบไปอยู่ในถ้ำเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะประทานความเมตตาให้แก่ท่านเพราะท่านเนียดดีเข่าใจเนียดที่จะหลบเนียดที่จะทําตัวออกห่างเนียดที่จะปลีกตัวออกจากคนชั่วเนียดต้องการที่จะปลีกตัวออกจากรูปเจเวต ท, ที่ภูเขาบูชาอยู่แล้วก็เข้าไปแอบอยู่ในถ้ำเนี่ยคือคนนี้ทํางานด้วยความ ตั้งใจที่ดีเนียดดีถ้าเนียดดีเป็นไงอลอฮ์จะแผ่ความเมตตาของพระองค์ให้กับคนประเภทนั้นมีถามว่าตอนตอนข้าทํานั่นเขาอ่านดูองูอากันเปล่านี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคำถามถามมาฉะนั้นดูอาก็เขาต้องอ่านตลอดเวลาอยู่แล้วก็นาดเข้ามัสยิดนบียังสอนใช่ไหม ให้อ่านดุอาว่าไงนะ um ah ah อ, อัลลอฮุมมักตัฮลีอบวาบารอฮ์มัติกะโออัลลอฮ์เปิดประตูแห่งความเมตตาให้ฉันด้วยให้คนที่เข้าในมัสยิดเนี่ยได้รับความเมตตาแบบไม่รู้สึกตัวนะมันมาแบบง่ายๆละฮรับโิล่ะแตนั้นวเวราเข้าไปอยู่ในท้ำปั๊บเนี่นะอัลลอฮ์ประทานแผ่ความเมตตาให้กับคนเหล่านั้นอ่างความเมตตาที่อัลลอ์แผ่ให้มีมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านไปจะเจอ วายุให้ละกุมมินอัมริกุมมิรฟะกอและอัลลอฮฺฮัยยาเนี่ยแปลว่าทรงธรรมนะทรงธรรมละกุม um ให้แก่ท่านทั้งหลายมินอัมริกุม um กิจการนะครับของสูเจ้าเนี่ยมิรฟะกอดำเนินไปอย่างสะดวก พอเข้าไปนอนในถ้ำปั๊บนี่นะอัลลอฮ์ให้ก็คือกิจการของเขาที่จะต้องตามมามีอะไรบ้างอัลลอฮ์ให้ความสะดวกหมดเลยเอา้าวเช่นอะไรบ้างขอยกตัวอย่างนอนอยู่ในถ้ำเนี่ยในตับซิดอธิบายว่าพลิกตัวปีละสองครั้งนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองแดดเนี่ยซองไม่ถึงคนที่นอน ข้อที่สามถ้าแดดส่องถึงนอนเป็นร้อยร้อยปีนะ่ะอะไรไหมอ่ะเสื้อไหมหรือไม่ก็นหนังก็ต้องไหมนี่อัลลอไม่ให้แดดสรองอนะ่ะนี่คความเมตตาที่อัลลอประทานให้นั้นต้องการจะอธิบายพวกเราวันนี้มกันนะ่ะจะปลูกบ้านเนี่ยจะให้อะไรนะจะให้ลมพานให้แดดส่องอนะ่ะมันต้องนึกอนะ่ะ ปลูกบ้านยังไงให้ลมมันผ่านไม่ใช่เพียงจะปลูกอย่างเดียวนะจากนั้นดูเอาเอาเอ า, เอาเรื่องนี้นะ่ะมาป็มาวามาวิเคราะห์ทําไมอัลลอฮฺให้คนเหล่านี้นอนอยู่ในถ้ำทําไมแดดส่งไม่ถูกตัวเพราะอะไรแต่ what, แสงสว่าง ม, มีไหมมีและอีกเรื่องหนึ่งขณะที่นอนอยู่ในถ้ำเนี่ยนะคนอื่นมองเนี่ยเหมือนเหมือนนอนหลับอะ่ะถ้าจะเข้าตายอะ่ะ คนอื่นมองเนี่ยเขากำลังนอนกันอยู่และมีหมาอยู่ตัวหนึ่งยืนเฝ้านอนอยู่หน้าถ้าหมาเนี่ยยืดขาไปทางนี้อธิบายว่าสิ่งสัต์หมาเป็นยังไงเวลานอนแล้วยืดขาไปท า, างหน้าเนี่ยที่ต้องการจะอธิบายนะสุรว่ามีคำถามถามว่าทำไมคนดีๆต้องเลี้ยงหมาทำไมคำถามถามเยอะแต่นี่คำถามคำตอบก็คือว่า เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเอาไว้หมาเนี่ยมันนอนอยู่ปากถ้ามันจะนอนอยู่ในถ้ำเหมือนกับมุสลิมวันนี้นถ้าจะเลี้ยงสุนัขนะเลี้ยงเอาไว้ในบ้านได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเลี้ยงเอาไว้และให้หมาอยู่นอกบ้านเนี่ยได้ไหมได้หมาเฝ้าบ้านหมาเฝ้าวสวนหมาเฝ้าสัตว์ใครไว้นะกัลกัลบุญมุอาลิมหมาที่ถูกฝึกมาแล้วเทรนนด็อกใช่ไหมหมาที่ถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ย เลี้ยงได้ไหมได้แต่ไม่เอาว่าให้ในบ้านบางคนอาจจะนอนบนที่นอนก็มีใช่ไหมละ่ะทิ่ข่าวออกว่านะปานิ ก, กากับมนทรีนอนก็มีใช่ไหมหมานั่นแหละอือาทีนี้สรุปได้อายานี้เนี่นะต้องการจะบอกว่าเมื่อพวกท่านปลีกตัวออกห่างจากพวกเขาและออกห่างที่พวกเขาเคารพ บ, บูชาอื่นจากอัลลอฮ์แล้วดังนั้นพวกเขาก็จงหลบเข้าไปในถ้ำ พระผู้อภิบาลของสูงเจ้าทรงแผ่ความเมตตาของพระองค์แก่สูเจ้าและทรงทําให้กิจการของสูงเจ้านั้นดําเนินไปอย่างสะดวกสบายตอนอยู่ในถ้ำนั้นมีแต่บรารกัดอัลลอฮฺไม่ได้กินอาหารน่ะทลายสามร้อยปีอยู่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนี่เป็นราะมาที่อัลลอฮฺให้สองแดดทรงไม่ถูกตัวนี่เป็นราะมาที่อัลลอฮฺให้ สามพริกปีละสองครั้งแล้วก็เพื่อไม่ให้นะไม่ให้แทนดินนั่นเกาะเกาะกินกินอะไรนะกินร่างกินเสือ้อของครับพริกปีละสองครั้งอัลลอฮฺอัลลนี่พป็นความเมตตาของอัลลอแล้วก็มองดูเหมือนกับนอนหลับแต่มีหมาอยู่ตัวหนึ่งอยู่หน้าถ้าอัลลอฮมองดูเควนเห็นคนเห็ น, น, หนกลัวหมดเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอาต่อมาครับรักมากของอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่หลายอย่างนะเขาต้องการจะอธิบายอย่างนี้คนที่เข้าไปแอบในถ้าเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แปลกประหลาดมากข้าพูาที่แปลกกว่านี้มีอีกอี ก, อกตําทีอธิบายนะรู้ไหมอะไรวันที่นบีมุฮัมมัดกับท่านอบูบักระดีอัลลอฮอัฮันห อพยพยจากนครมักกะไปนครมดีนะท่านอบี๊เป็นหลบอยู่ในถ้ำสู้สามวันแล้วก็ศัตรูเนี่มายืนอยู่ปากประตูถ้ำท่านอบูบักเนเห็นบวกท่านอบีนี่ถ้ามันก้มนิดนึงนะมันก็เห็นพวกเรานะแล้วก็ท่านอบี บ, บอกว่าเราอยู่กันสองคนเลย วาซาลิซาหูมาอัลลอ์บุคคลที่สามคืออัลลอ์นั่นน่ะหนักยิ่งกว่าชาวถ้ำอีกแค่นั้นอยากคิดว่าอัสคาบุลกาฟนะีเป็นอะไรนะเป็นประวัติที่แปลกประหลาดไม่ใช่ที่ใหญ่กว่าและหนักกว่าก็คือนบี ม, มุฮัมมัดกับท่านอบูบักไปแอบอยู่ในถ้ำสามวันและศัตรูมายืนอยู่ปากประตูถ้ำอัลลอฮ์เพจะ ก, ก้มนิดหนึ่งเห็นน่ะ น บ, บีก็ถูกจับก็ตายกันกระจดทังสองคนแต่อัลลอฮลัให้ปลอดภัยหมดเลยเหตนั้นเรื่องอัสซาบุลกาฟิเรื่องเล็กใหญ่กว่านี้มีไหมมีอธิบายต่อไปอีกที่ใหญ่กว่านี้ก็คืออัลลอฮสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วก็มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรอยู่วันนี้ใครทำได้บ้างนั่นใหญ่กว่าชาวทำอีกและไอ้ที่ใหญ่กว่านี้ก็มีอีก แต่งตั้งทุกยุคทุกสมัยให้มีนบีมาหนึ่งคนแล้วก็ให้ความรู้มาจากอัลลอ์ผ่านยิบรีนมามอบให้กับ น, นบีแต่ละคนแต่ละคนเป็นความรู้ที่สะอาดทั้งหมดใครทำได้นั่นละยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> าการอักดีดาของเราต้องนึกอะไรเยอะนะอย่าคิดว่าอัสฮาบุลกาฟินนะัแจวแล้วไม่ใช่ที่แจวก้อนนี้ก็มนี้คือนบีมุฮัมมัดกัตริย์อบดุลบาศางนี้ปต้นนะอัลฮัมดุลิลลนะพี่นอ้อง เอาต่อมาครับอายที่สเจ็นะวตารชัมสิาตลตเซาวรุ่กะฟิหิม ذا ต์อีมิน و إ ذ ا غ ر ตรดูหุมตมาล นี่เป็นราะมะเป็นความเมตตาของอัลลอ์ที่ให้กับชาวถ้ำเปคำอธิบายอายะที่ผ่านมานะและเจ้าเห็นดวงอาทิตย์อั ช, ชัมซาแปลว่าดวงอาทิตย์วะตะรอตรอรว่าท่านเห็นดวงอาทิตย์อิซาตลาตเมื่อมันขึ้นตาซาวารุมันจะคล้อยจากถ้ำอันกาฟิมดาตเรีมีไปทางข้างขวา ก็นึกนก น, กนึกภาพถ้ำก็แล้วกันแสดงว่าถ้ำเนี่ยหันหน้าปากถ้ำเนี่ยหันหน้าไปทางทิศทิศเหนืออ่าทิศทิศเหนือแล้วก็อันนันทิศ ต, ต้ใช่ไหมทิศเหนือแล้ ต, ตะวันขึ้นเนี่ยแดดมันไม่ทรงอ่ะเห็นไหมนะที่จะหาว่าถ้ำหันหน้าไปทางนี่โอ้โหพอตื่นขึ้นมานี่แดดก็ต้องทรงมาใช่ไหมนี่อลอที่อลอทจัดไปหมดเลยงานนี้นะครับ ตกลงว่าเมื่อเจ้าเห็นดวงอาทิตย์เมื่อมันขึ้นมันจะคล้อยจากถ้ำไปทางข้างขวาว่าอิระกรอรบตัตตากรีดูหุมจะตาชิมาและเมื่อมันตกเมื่อตะวันตกนตกอร์บาแปลว่าตะวันตกนะกอร์บาแปลว่าตกตากรีดูหุมมันก็จะเบนจะต h ชิมาออกไปทางทาย หมายความว่าไงมายควาว่าดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ส่องไปถูกพวกเขาที่พวกเขานอนอยู่ในถ้ำขณะมันตกและมันขึ้นดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงคนนอนเพื่ออะไรเพื่อรักษาคนนอนไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์เผาไหมเพื่อไม่ให้เสื้อของเขาเนี่ยไหม้ต้องสามร้อยปีเนี่ยเสื้อก็ไม่ไหม้เนี่ยคิดดูสิ่งนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ แล้วก็ให้พริกปีละสองครั้งนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาหาาูบาดะดาที่อัลลอ์ให้ความสะดวกสบายกับคนที่นอนอยู่ในถ้ำเพราะหัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานาหาาูบาดะดาต่อมาครับวัวหุมฟีฟาจูติมินโดยที่พวกเขาอยู่ในถ้ำนั้น อยู่ในที่โล่งของมันคือนอนไปอยู่มองเป็นโล่งหมดเลยฮะมูริลลาฟาจว่าแปลว่าที่ที่โล่งนะครับザลิกามินอายาติลนั่นคือส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮฺเห็นอย่างอัลลอฮฺเล่าให้ฟังนี่เป็นสัญญาณหนึ่งในบรรดาสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮฺนะอย่าคิดว่าเกิดขึ้นเองนะเนี่ยอัลลอฮฺจัดให้ ตที่อัลลอฮ์คุ้มครองผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังไงเพื่อการจะบอกให้รู้ว่าคนที่นอนอยู่ในกูโบวันนี้ก็เหมือนกันถ้าก่อนตายเป็นคนดีมีาศาสนาก่อนตายตาบ้าตัวต่วตออัลลอฮ์เอาหลักการของอิสลามมาใช้ในชีวิตประจำวนัขนขณะที่เขานอนอยู่ในกูโบนั้นอัลลอฮ์ก็จะดูแลเหมือนอัสฮาบุลกาฟีนอนอยู่ในถ้ำเหมือนกันดูแลเหมือนกัน ให้เราสบายใจว่าโอ้คนอยู่กับาศาสนาคนอยู่กับอัลลอ์นั้นเขาทำตัวถูกต้องแล้วไม่มีอะไรที่จะดีกว่าอิสลามไม่มีแล้วอิสลามเป็นาศาสนาที่ดีที่สุดนะครับไมยะดิลฟะหวัลม ah ุตด uh นี่ไงหละการอิสลามสอนดีนะผู้ใดที่อัลลอท์ส่งนำทางที่ถูกต้องแก่เขา ไมยะ ah ด, ดิลาผู้ใดที่อัลลอ์ชี้ทางนำให้เขาเข้าใจศาสนาให้เขาได้เป็นมุสลิมให้เขาได้ยีมานต่ออัลลอ์ให้เขาได้รู้จักอัลลอ์ให้เขาได้นำมาแล้วก็ถือศีนอดให้เขาทำไปทำพายีได้เข้าใจกุรานนะฟะฮูวันมูตเดเขาก็คือผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนี่ไงเป็นคำ เป็นคำา น, นะเป็นคตัดสินที่ถูกต้องที่สุดว่าคนที่ยึดอิสลามเป็นทางนำสำหรับชีวิตนั่นแหละเขาอยู่ในทางนำที่ถูกต้องแล้วอัลฮัมดุ ล, ลิลลออเราพูดประจำ ใ, จใช่ไหมอาญาเนี้ยมัยยะดิลลัฟฮวัลมุฮตะดใช่ใครที่อัลลอช์ชี้ทางนำให้เขาแสดงว่าคนที่เข้ามาอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ย ไม่ใช่มาเองน่ะอัลลอฮ์เลือกแล้วนะแต่ท่านคนที่ยังไม่เขาา้าใจอ伊斯兰ประเด็นว่าอัลลอฮ์ยังไม่เลือกนะอัลลอฮ์ยังไม่เลือกนะท่านเราขอบคุณอัลลอฮ์ะนะที่เลือกมาอยู่ในมสัส ย, ยิดได้นะลฮัมดุลิละแต่เลือกให้เป็นมุสลิมเลือกให้ต้องอ่านกุรอ่านออกซิกุรุลละนามาถือสินอดอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์สุภาหานาอุตาแล้วนะเอาต่อมาครับว่าไม่ยู่บิล ดวละยดิูนแปลว่าะหลงทางหรือว่าระหนใครที่หลงทางคือไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักกุรานไม่รู้จักสุนนะท่านนาบีเป็นไงครับฟันตาจิดละลาหูวะล ม, มูร h ชิดะเขาจะไม่พบลันตาจิดเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือวะลียันผู้ช่วยเหลือ มุชิดัผู้ชี้ทางใช่ไหมถ้าไม่เอาอัลลอ์นี่นะถ้าไม่เอาอัลลอ์ถ้าหลงนี่นะจะไม่มีใครนะมาชี้นำแล้วก็มาอะไรนะมาเป็นผู้ช่วยเหลือเขาให้อยู่ในทางนำได้หมดสิทธิ์ดะนั้นคนที่มุสลิมนะครับที่เรียนศาสนาที่เข้าใจศาสนาต้องขอบคุณอัลลอ์ ว่ามุสลิมที่เป็นมุสลิมแล้วมาเรียนศาสนาไม่เยอะไหมเยอะนะเป็นมุสลิมอัลลอฮ์เนี่ยสุรฟาห์ติฮะเนี่ยบางคนเนี่ยนัมาแล้วสี่สิบปีถามว่าแปลว่าอะไรไม่รู้น่าอายมั้งนะสมยิอัลลอฮูลิมานะพิจาแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่เคยเรียนเลยนะ่ยไม่เคยใช้ปัญญาเลยเนะ่ย เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดพวกเราเนี่ยนะแปลดูอาในนามาดให้ได้เอออัตหยาแปลว่าอย่างไงใช่ไหมดูอาอิฟติตาแปลว่าอะไรโอชาเรียนจริงจริงสักเดือนหนึ่งก็ได้ได้ไหมเดือนหนึ่งไม่ถึงนะโลอักบัสอย่างนี้เป็นต้น <laughs> เอา คำอธิบายไม่มีมีคำมีมีคำอธิบา ย, ยี่แลคำอธิบายไม่มีเพราะอายะสุดท้ายอายะที่18บนะว่าทับูฮุมไอ้ก้อวะฮุมรกูดและสูเจ้าคิดว่าทัะบูฮุมนะคิดว่านะไอ้กอ่อนพวกเขาตื่นเห็ไหมคนคนอื่นมองเนี่ยมองเด็กหนุ่มๆที่ยอมนอนอยู่ในถ้ำเนี่ยมองดูเขาทเขาตื่น เห็นอย่างเนี่ยเอาเล่ให้นะคนอื่นมองเหมือนเขา ต, ตือนว่าว่าหุมรูกูทั้งทั้ ท, ที่พวกเขารูกูก้เพราว่านอนหลับอืแต่คนอื่นมองท่านทั้งหลายเห็นพวกเขาเหมือนกับเขาตือนแต่ที่จริงเขานอนหลับว่าตุกลีบุหมซาตายามีและเราพลิกคือลองดูดูกระป๋นะเราพลิกนะ ไม่จะเขาพลิกเองนะอัลลอฮ์สั่งให้พริกเราพลิกพวกเขาไปทางขวาและทางซ้ายอุลมามะตับซิดอธิบายว่ายุกอนลีบูนะฟิลอาบมารรอนีพวกซลัฟพวกชาวซลัฟเนี่ยในยุครังแรกเขาอธิบายว่ายุกอนลีบูฮุมซาตยามีนวาซาตชีมานพริก และเราพลิกพวกเขาไปทางขวาและทางซ้ายเขาอธิบายยังไงนะไหมพลิกปีละสองครั้งพลิกตัวทางซ้ายบัางขวาบัางปีละสองครั้งท่านอิบนุอับบาสอธิบายว่านี่เป็นนักตันซีสมัยสมัยสลับนะเล่าล้ำอยู่ก่อนลีบูถ้าหากชายหนุ่มที่นอนอยู่ในถ้ำไม่พลิกตัวเนี่ย และอักลารอัลอราโรผนดินก็จะเกาะกินเสื er ้อของเขาแล้วก็ร ja ่างของเขาเน่าเปื่อยแต่พอพริกเนี่ยทำให้สุขภาพของเขาดีอัลฮัมดยู่เลยแล้วเอาล้อวางแผนไว้ทั้งหมดนะอัตอมาครับวะกัลบุฮุบบาสิตุนซีรอัยบิลวาซิด และสุนัขของเขามีหมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเรา穆斯林โขเข้งอ๋อมีหมาได้ยังไงนี่มีหมาได้ยังไงต็การจะบอกให้รู้ว่าหมาอยู่กับคนดีนกลายเป็นคนดีได้นะทั้ที่พระอุลมะอธิบายอย่างนี้นะคนที่เลี้ยงหมาเนี่ยสังเกตหมานี่นะบางทีก็ดีกว่าเราอีกอู้ อ, อนแล้วน่ า, น, า, น, าน่าคิดนะ่หมาเนี่ยมันจะไรนะมันตออ เราอ่นานแปว่าอะไรเชื่อเชื่อใครเชื่อเจ้าของใช่หรือไม่ใช่ใชเวลาหมาเหาบอกเอ้ยเงียบมากแล้วที่คนพวเราลิมบอกเฮ้ยมันยังนอนอยู่เลยเนี่ยสุโอยังไม่ตื่นเลยเฮ้ยเอาลอดดอูมันยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยจะหมาเนี่ยจะของพูดนิดเดียวเชื่อ นี่ต้องการจะบอกว่าที่อัลลอฮ์เอาหมามาเกี่ยวข้องให้เราได้ใช้ปัญญาว่าเออหมาเนี่ยมันตออัดต่อเจ้าของก็มานบางทีดีกว่าเราเสียอีกระเกตนะแล้วก็หมาก็างครเวลาเจ้าของก็ให้อาหารเลีนะ้ยงน้อเน่ยหางมาทําไงนะอลัลลอฮ์มันอัลมันไม่เห่าเจ้าของมาเลยนะแต่เราในบางทีเหาเหากอัลลอือ บาคนเปนองมุสลิมบางคนนี่บวชจะออกแล้วนะยังไม่ได้บวชก็มีมีอยู่ปีหนึ่งผมเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้นะเข้าไปพับเนี่ยมุสลิมทั้งนั้นเลยทั้งกินอาหารทั้งสูบบุหรี่ผมต้องลบมาเพราะส่วนใหญ่รู้จักกันหมดคือตอนหน้าเมีน่ะบวชพอรับหลังเมียแกแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วสมัยก่อน อัตอมาครับเราะตะท่แน่นอนแ <c oughs> ละสุนัขเนี่นะสุนักของเขาเหยียดขาไปข้างหน้าทั้งสองขาของมันไปทางถ้ำโอโลไหมไปทางถ้ำไปทางปากถ้ำใช่ไหมเราะตระท่าัยฮิม ถ้าหากเจ้ามองพวกเขาลาวัลไลตามินฮุมฟิโรรอแน่นอนเจ้าจะหันหลังตะเลดิดหนีจากพวกเขาวาลาโมลิตามินฮุมรัวบารัวบาแปลว่ากลัวและเจ้าจะเต็มไปด้วยความตกใจคือความกลัวเพราะพวกเขานี่อ่ะอรตานาให้นะครับให้ความรู้สึก ของคนที่มองไปเห็นหมาก็ดีเห็นคนก็ดีที่นอนอยู่ในถ้ำ ม, มีความรู้สึกกลัวกับคนเหล่านั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำหรอกอยู่พอเดินหน้าเห็นก็ถอยหลังกันทุกคนนะ่ะเนี่เป็นการรักษาของอัลลอฮ์สุบฮานาห์นะวาตาแล้วเอามีค่าอธิบายนะอธิบายหนึ่งทำไมมุสลิมต้องเลี้ยงสุนัขคำตอบมีได้ไหมมีแล้วนะ มุสลิมเลี้ยงสุนัขได้ไหมได้แต่ต้องเป็นสุนัขแบบไหนนะกับบุลมุอาลิมเทรนเน็ตด็อกด็อกที่ถูกฝึกมาอย่างดีใช่ไหมแต่เลี้ยงไม่เอาไว้เลี้ยงในบ้านแต่ให้เลี้ยงอยู่นอกบ้านคุมบ้านคุมสวนคุมสัตว์หรือไปล่าสัตว์เอามาให้เจ้าของของเขาประการที่สองท่านนาบีุลสอนอย่างนี้หมาที่นอนอยู่มันนอนอยู่ปากค่ํานะ ไม่ใช่นอนอยู่ในถ้เพราะนบีสอนบอกว่ามลาอิกาจะไม่เข้าบ้านบ้านของคนที่เลี้ยงหมาใครที่เลี้ยงสุนัขนะบ้านนั้นอัลลอฮฺไม่ให้มาลาอิกาเข้าบ้านไอ้พวกก็ดีสิมาลาอิกาไม่เข้าฉันอยู่แบบไม่ต้องตายมาลาอิกาไม่ใช่มาเอาเงาเบี้ยมาลาอิกาที่มาให้ให้ร้องมาพิเศษนะ แต่มารีกาที่เอาวิญญาณให้มีหาสักร้อยตัวมันก็เอาใช่ไหมรมาะมะพิเศษที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้มาริกาเข้าบ้านหลังนี้นี่รวมไปถึงเนี่ยอะไรนะไลอุทุลกอน ด, ดีเนี่ยเราเชื่อว่าคำยี่สิบเจ็ที่มันคืนนี้ใช่ไหมนะ่ะคำยี่ําบเจ็ดรู้ไหมมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์ว่ายกเว้นอัลลอฮ์ให้รมาะมะมาคืนนี้ถ้าเป็นคืนนี้นะ คนที่ไม่ได้มีประมา 4, ณสี่ห้ากลุ่มหนึ่งคนที่ถอยยศแต่พ่อแม่หมดสิทธสองคนที่ติดของมึนเมาทุกชนิดรวมทั้งบุรีด้วยนะหมดสิทพว์ผาบุรีคิดหนักนะเฮ้ยเหมือนกันติดกัญชาเฮโรอีนหมดสิทแล้วก็คนที่บูชารูปเจเวตหมดสิทคนที่ทําชีริกต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมตอบ้าตัวต่ออัลลอฮ์หมดสิท เที่งมา้ไมีอยู่มาเสียสามสี่กลุ่มหกลุ่มนี่นะถึงจะมีลายอตุลกอรดรีมานะก็พวกนี้ไม่ได้รับอะไรจากอัลลอฮ์เลยเพราะทำตัวไม่ดีเอาแต่นี้ในตับซีอิบโนกะซีรอธิบายดีนะอธิบายอย่างนี้บ้านที่มาลายิ ก, กาไม่เข้าหนึ่งบ้านที่มีรูปสองคนที่มีจุนุปอัลลอฮ์ดองจุนุปเอาไว้เป็นอาทิตย์น่ะ มีนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่นมาดเลยแล้วอันที่สามบ้านบ้านคนกาเฟตมาลาอีการองมาไม่เข้าอ่ันเจนี้บางคนนะหมาไม่มีนะมาลาอีกาก็ไม่เข้าตัวเองเป็นหมาซะเองอันนี้แล้วมาลาอีกาไม่เข้าอ่ะคําว่าด่าคนนั้นด่าคนนี้ทลาะคนนี้ทะเลาะทําตัวเป็นหมาซะเองมาลาอีกาก็ไม่เข้าทั้งทั้งที่หมาไม่มีนะนะ ในทัปสิทธ์อธิบายอีกแล้วว่าม้าตัวที่นอนอยู่ที่ปากถ้ำนะ่ะชื่ออะไรโอ้ดีนะสมัอาตุลฮัสันอัลบาสรียากูลฉันได้ยินท่านฮัสันบาสรีรายงานบอกว่าอธิบายอย่างนี้แกะของนบีอิบราฮิมเอาแกะก่อนนะที่อัลลอฮ์ส่งแกะตัวหนึ่งมาแทนนบีอิสมาฮีที่เชื่อที่มักกาหนะชื่ออะไรนะชื่อจารี แกะตัวนั้นชื่อจารีศนะแกะนะจารีศ j a ร i r อจีมรอยารอชื่อจารีศอาสวนฮุดฮุดนกหัวขวานของนบีสุไลมานนะชื่ออะไรชื่ออันอันฟัซอันฟัซอัลลอฮฺอักบารผมก็เพิ่งคิดเพิ่งอันนี้เพิ่ง พ, งพบนี้นะอีเล่าตรงๆเพิ่งพบนี้ตกลงว่า แกะของนบีอิบราฮีมชื่ออะไรชื่อจรีลนกหัวขวานของนบีสซลัยมานชื่ออันฟัซแล้วก็สุนัขที่นอนอยู่ปากถ้ำนี้ชื่อกิตมีรอลอชื่อเพราะระยะข้ายย้าม า, าตั้งชื่อแลกิตมีรกอฟตอมีมยารอคิตต อ, อ่ากิตมีรอา่ากิตมีรแล้วก็ลูกวัว ที่พวกบบนีอิสโออินมันปั้นแล้วเอาไปกราบตอนนบีมูซาขึ้นไปรับวัฮีทีภูเขาเนี่ยนะรู้มาชื่ออะไรชื่ออับดุยฮ์มูตโอ้ชื่อยาวชื่ออับดุยฮ์มูตทำเป็นอะไรทาด้วยทองอ่ะนะเวลาลงป่าลมมากก็รอบบออเกนเอา้าวเขาบอกว่านาบีอาดัมลงมาจากสวนสวนรรค์ลงที่ประเทศอินเดีย ผมเพิ่งอ่านพบนี่จะยินแต่ไม่เคยเห็นหลักฐานนี่อ่านจากตัสิทธอิบเนกาซีส์นะนบีอาดัมลงจากสวนสวรรค์มาประเทศอะไรนะประเทศอินเดียก่อนแบ่งแยกอินเดียปากีบังกาลาเทศก่อนแบ่งแยกนะลงตรงไหนเราไม่รู้ส่วนนางฮาว่าลงมาจากสวรรค์มาที่ไหนที่ยุทธะกายกายกะบ้านหน่อยเดินไม่เหนื่อยเอ๊ะ เสร็จแล้วนบีอาดัมลงอินเดียอ้โหก็จะมาถึงมะกาหนานาคนจะขี่บุรอกไปแล้วเพราะว่าน้อัลลอฮ์ช่วยนะครับเราทำจนแล้วนี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเพ่เรามีตัปซีอัลกุรอานอธิบายให้ท่านเข้าใจบ้างเด็เล็กน้อยอย่าเอาละเอียดเยอะนะอัลทัมดเลยแล้วสรุปแล้วคนหนุ่มเป็นคนดีมีศาสนาปัันนี้ยังมีมัมยังมีอยู่อัลลอห์เห็นนะครับแต่คนปุ่หลักผู้ใหญุ่่นก่อนนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะอัลลอฮ์ที่ดกน สู้เด็กหนุ่มไม่ได้ที่มีศาสนาแล้วคนมีศาสนาอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยเห็นไหมเนี่ยท่านให้เราสบายใจว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในศาสนานี่แหละจะทำอัลลอฮ์จะดูแลรักษาชีวิตของเราทั้งดุลยาและอาคิรอ سبحان ัหุมะวะบิฮัมลิกะอัลชาดุลลาอิลเละอิลเลาอันตะอัสตักรุลกวาตุบุไลกัสลามุอะลัยคุมุลรหบบะตุลลอฮ์บรอกตุ